มันยังรู้ไม่ได้ก่นคุมไว้ก่อนคุมไว้ ท, ทาท่าจะออกคุมไว้คุมไว้อันนี้อยู่ในขั้นคุมก่อนมันมีหลายขั้นตอนสติเบื้องต้นคุมจิตก่อนแล้วมันคุมแล้วมัน ท, ทาท่าจะซึมจะเบอร์จะอะไรอย่างนี้นั่นแหละกำลังไม่พออินทรีย์อ่อนตอนเนี้ยหมายความว่ายังไงไม่ว่าความเพียร น, น้อยการดำเนินชีวิตของเราอะ เราไปให้ความสำคัญอย่างอื่นมากไปทำอย่างอื่นมากปล่อยจิตไหลออกไปข้างนอกมากสติ อ, อ่อนสติอ่อนคุมจิตไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่พอจะเริ่มคุมนิวรนเข้ามาก่อนต้องปลูกจิตให้มันตื่นให้ได้บอกเลยเรานี่แหละเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่ผู้หลับไม่ใช่ผูง้ง่วงไม่ใช่ผู้ซึมไม่ใช่ผู้งอยไม่ใช่ผู้เงาข้าพรเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงยกจิตขึ้นมาตื่นนี่สาวกของพุทธเจ้าต้องตื่นอย่างนี้ถึงขังขึ้นมาทํำร่างกายให้ตื่นด้วยจิตตื่นด้วยแล้วก็เอาจิต เข้ามาข้างในได้เอาสติคุมจิตไว้ได้อยู่จิตก็ต้องอยู่อยู่อยู่ในอำนาจของสติคุมไว้คุมไว้คุมไว้ให้อยู่ซะก่อนถ้ามันอยู่แล้วถ้าใครที่นั่งที่ไรก็นิ่งแช่อยู่มันไม่ทําอะไรมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรเกิดขึ้นไม่รู้มันมันนิ่งอยู่ข้างในโน้อนอันนี้เรียกว่าติดสมาธิไม่ออกมาดูขัดหน้า ไม่ออกมาจเจริญสติปัฏฐานสี่เอามันออกมาที่นี่ออกมาคือยังไงเอาจิตมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจิตขยับจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนจิตดูกายเครียรกายยัคตาสติดูผมขนเล็บฝันหนังหรือว่ามาดูภายนอกไล่ไปตามจุดต่างๆของร่างกายอันนี้เพื่อให้จิตตื่นคนที่ชอบง่วงชอบซึมมาใช้ได้ผลดีแต่ทามันไม่เอาแล้ว อะไรเด่นมาดูลงใบไม่เป็นไรดูแล้วพอจบแล้วมันหมดแล้วมันหมดหน้าที่แล้วมันไม่อยากดูแล้วก็พักพักแล้วพออารมณ์หยาบหยาบมามันก็ออกมาดูใหม่อีกแล้วมันก็เข้าไปพักอีกนี่เรียกว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตและก็ธรรมแต่ที่สำคัญคือเราอะเราตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไง ทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจิตเราเชื่อไหมเชื่อไหมถามจิตดูมันตอบได้ไหมมันมันรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นไหมมันชัดเจนขึ้นไหมถ้ามันเฉยเหมือนมืดเนี่ยละอันนั้นมันมือดอยู่มันยังไม่แจ้งมันยังไม่ชัดขึ้นในจิตมันเดินอย่างช้ไม่ได้ ถ้าใครเอามาเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราพยายามให้จิตรู้ให้ได้อ น, นี้ถูกทางเลยนาะสุดท้ายเราต้องการในจิตเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเรานาะขันห่าไม่ใช่เราอะอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยว่าเจ็บเกิดขึ้นมาอย่างนี้มก็สักแต่ว่าเจ็บสักแต่ว่ารู้ก็กวางได้เาตั้งใจนะเดี๋ยวเราจะหยุดละ เดี๋ยวจะหยุดแล้วเอาจิตเนี่ยทำให้จิตเนี่ยตื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบูชาพระพุทธเจ้าที่ผู้เจ้าสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยเราลองเอาจิตเรามาสำรวจได้ไหมเอาจิตเนี่ยมาสัมผัสสัมผัส ด, ดูร่างกายก่อนตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นเราตายไหมตายไหมตายไหมมองร่างกาย เอาจิตมาสัมผัสดูกายหรือว่ามาดูว่าส่วนไหนสำรวจตรงไหนมีโรคภัยไข้เจ็บหรือตรงไหนมันต่างจากส่วนอื่นหรือว่าตรงไหนเป็นยังไงนี่เรียกว่ามาสัมผัสรู้กายก่อนทดลองเฉยเฉยเอาป๊บากายเป็นเราได้ไหมนี่เรียกว่าลูก ป, ประขันลูก ป, ประขันกองแห่งลูกทำไมเรียกว่ากองแห่งลูกมหาภูตารูปทั้งสี่มารวมกัน มหาพูทธ ร, รูปทั้งสี่คืออะไรธาตุดินธาตดินในส่วนแข็งแข็งส่วนไหนมันแข็งแทนที่ในอากาศได้ภาพรวมของร่างกายทั้งหมดมันก็เป็นธาตุดินเพราะว่าธาตุดินเนี่ยมันเด่นผมนี่ก็คือธาตุดินขนธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้เป็นธาตุดินหรือว่าทั้งก้อนเป็นธาตุดินธาตุดินส่วนที่มันแข็งแข็งมันมีอาการแข็งแข็งถ้าแข็งน้อยมันก็จะอ่อน ถ้ามันแข็งน้อยลงไปนะมันก็ น, นิ่มนี่เป็นธาตุดินผูน้นี้ธาตุดินอันที่สองก็ธาตุน้ําของเหลวเ อ, อ่อาบไหลไปไหลมานี่ของเหลวทําให้เกิดการเกาะกลุ่มคุณสมบัติของมันอ่ะอันหนึ่งมันทําให้มมันแข็งร่างกายมันต้องแข็งแรงมันต้องมีโครงสร้างแข็งแข็งเพื่อให้มันเดินไปเดินมาได้ทํานูน่นทํานี่ได้ นี่แหละธาตุดินก็มีความสำคัญธาตุน้าทาไม่มีธาตุน้ำมันก็เกาะรวมกันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีธาตุน้ำธาตุลมทำไม่มีธาตุลมเคลื่อนไหวไม่ได้อีกต้องอาศัยลมดันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ธาตุไฟทาไม่มีธาตุไฟหล่อเลี้ยงไม่มีตัวเผาผ่านอาหารไม่ให้มีตัวให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอยู่ไม่ได้อีกนี่แหละมหาภูตรูปสี่ดินน้าลมไฟ จากนั้นก็รูปย่อยๆรูปย่อยๆก็คือเอาแบง่งออกมาเป็นย่อยๆตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างตับไตไส้พุงนี้นี่เดียว่ารูปย่อยๆมันมาจากรูปทั้งสี่นี่ละมาจากธาตุดินน้ำลมไฟนี่นี่เดียว่าฝ่ายรูปรูปประขันมองดูรูปประขันทีนี้ในรูปมีเวทนามไหมทีนี้เวทนาขันมีไหมเอาเวทน า, ทากายก่อนสํารวจดูส่วนไหนตรงไหนมันเจ็บมันปวดมันมึนมันชา มันแน่นมันอึดอัดมีไหมนั่นตัวเวทนาไม่ใช่เราเป็นนูน่นเป็นนี่นะเวทนากองแห่งเวทนานั่นแหละคือเวทนาขันเราอย่าไปคิดว่าเป็นเราเราเจ็บก็เจบโอ้ยเราเจ็บเราเจ็บผู้เยาวนั่นเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาเวทนามก็แสดงออกมาให้เห็นมีกายก็มีลูปก็มีเวทนา ก็แยกออกเดเอาแต่ก่อนว่าเราเจ็บเราเจ็บคราวนี้เอาเวทนาเนี่ยเราก็หายไปเวทนาขันกองแห่งเวทนาเฮามันจะหลายอันก็าตามเจ็บตรงนั้นตรงนี้ก็เวทนาขันกองแห่งเวทนาสักว่าเวทนาถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีเราสิคราวนี้จิตท่านก็ไปดูสิไปดูมันมีไหมเราก็จิตไปสัมผัส ด, ดูนี่เวทนาสักว่าเวทนา น, น มันก็เบาสิเพราะมันไม่ไปว่าเราเจ็บไม่ว่าเราปวดมันไม่ใช่เราความเป็นเรามันหายไปดูปรูปขันกันนี่รูปลูกสักแต่ว่ารูปอันนี้สักแต่ว่าเวทนามันจะมึนก็ตามช้าก็ตามเจ็บก็ตามปวดก็ตามเจ็บมากก็ตามเจ็บน้อยก็ตามเจ็บลักษณะไหนก็ตามเวทนาขันกองแห่งเวทนามีสุขมีทุกนี่แหละกองแห่งเวทนา บางทีจิตมันไปดูจิตเฉยๆก็ได้เวทนาจะเจ็บจะปวดแค่ไหนจิตเราเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินายจิตเราไม่เจ็บไม่ไปเอาความเจ็บมาเป็นเราจิตมันรู้ว่าเป็นแค่เวทนาเป็นเรื่องของเวทนาเท่านั้นจิตละ่ะมีอาการอะไรไหมมันนึกมันคิดอะไรไหมมันรู้สึกอะไรขึ้นมาในจิตบ้างไหมมันว่ายังไงขึ้นมาไม่ทันไหม นี่ตามดูจิตละทีนี่ตามดูจิตนี่แม้แต่ฟุ้งซ่านก็ต้องรู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ให้กลัวด้วยนะคิดก็รู้ว่าคิดดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจไม่รู้ละอาการของจิตโผลมาแบบไหนเราดูแต่ก่อนว่าเป็นเราอีกจิตเป็นเราเราคิดความคิดเป็นเราคราวนี้อาเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าอาการของจิตเราก็ดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆ นี่แหละมันถึงจะเบาลงได้มันต้องไปเห็นเห็นด้วยจิตทำความง่วงก็เป็นธรรมเพราะมันสัมผัสได้ด้วยจิตมันซึมนี่ก็เป็นธรรมธรรมารมณ์สิ่งที่มาสัมผัสด้วยจิตเราเนี่ยเรียกว่าธรรมเดี๋ยวมันก็เกิดดับด้วยถ้าใครเห็นว่ามันเกิดดับเนื่อเป็นธรรมะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาได้เห็นว่ามไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราความซึมเป็นอันหนึ่งจิตผู้ดูเป็นอันหนึ่ง แยกจิตออกจากตัวซึมได้ไมันจะตื่นที่นี่นี่ลหละเราจึงต้องพยายามให้จิตมีกำลังแล้วพยายามดูดูมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างดูเพื่อแยกแยกจิตเราออกมาทำจิตให้เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆสักแต่ว่าดูได้ไหมสักแต่ว่าดูนี่หมายว่าเราเหมือนกับคนเรายืนอยู่บนบ้านมองลงไปข้างล่างคนเดินผ่านไปผ่านมา เราเป็นคนพวกนั้นไหมเราดูเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่วัดเชตวันมห า, าวิหารชาวบ้านเขาก็มาช่วยตัดกิ่งไม้ตัดต้นหญ้าตัดอะไรต่ออะไรพระเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอสําคัญว่ากิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าเหล่านั้นเป็นเธอไหมเขากําลังตัดอยู่นั่นน่ะเธอสําคัญว่าศอกสิ่งเหล่านั้นเป็นเธอไหมพระเข้าใจความหมายปุ๊บมองเข้ามาข้างในอ๋อนั่น จากข้างนอกมองเข้ามาข้างในตึบโอหจิตเป็นอันหนึง่งผู้ดูเป็นอันหนึง่งนอกนั้นถูกดูมันก็เรามองดูกิ่งไม้มองดูต้นหญ้าที่กําลังตัดอยู่นะมันจะมาตัดเราได้ยังไงมันเป็นกิ่งไม้ตน้นหญ้ามันก็เข้าใจลึกซึ้งเข้ามาที่จิตเขาก็ลากกิ่งไม้ไปลากตนา้นหญ้าอะไรต่ออะไรไปพระพุทธเจ้าก็ถามอีกดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเธอจะสําคัญว่าเขาลากเธอไปไหมนะ่ะ เขากำลากกิ่งไม้อยู่น่ะลากต้นหญ้าน่ะเธอจะสำคัญว่ากิ่งไม้ต้นไม้เหล่านั้นต้นหญ้าเหล่านั้นเป็นเธอไหมได้ไหมเนี่ยพระก็มองเข้ามาข้างในแยกออกได้อีกผู้รู้เป็นอันหนึง่งสิ่งทุกรู้ก็เป็นอันหนึง่งนี่มันก็ตื่นสิแต่มันเห็นนี่มันจิดเห็นด้วยโอ้การเห็นนี่มมั น, ม, นมันตัดพบตัดชาติลงไปสั้นลงไปตั้งโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะเขาเขาไปถึงเขาเผาไฟที่นี่ เผาไฟจุดไฟขึ้นมาแล้วดูกรพิกซูทั้งหลายเนี่ยเขากําลังจุดไฟเผากิ่งไม้ใบไม้ต้นหญ้าใบหญ้าเธอจะสําคัญว่ากิ่งไม้ใบไม้ต้นหญ้าเหล่านั้นเป็นเธอได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข่าน้อมเข้ามาตึบเข้ามาข้างในเลยทีนี้มันก็ไม่ออกไปสิมันรู้แล้วอ่ะตัวดูเป็นอันหนึ่งเลยตัวดูอ่ะ มันเจะไปดูรู้สึกว่านั่งอยู่อย่างนี้ก็เร็วเนี่ยอันนี้ตัวที่ดูก็ดูลูกนั่งก็คือดูกายยะบทดูยาบทมันนั่งอยู่นี่ก็ดูกายเหมือนกันอะดูลมหายใจบางทีลมหายใจมันไม่ใช่ลมหายใจนะมันเป็นอาการของลมเคลื่อนตืบๆๆอย่างนี้ก็มีนี่เรียกว่าธาตุลมดูเป็นธาตุลมก็ได้สักแต่ว่าลมเนี่ยตืบๆผู้ดูก็เป็นอันหนึ่งสิ่งถูกดูก็เป็นอันหนึ่งแยกออกมาได้ ถ้าเห็นแล้วมันจะแยกออกมาตัวดูนี่มันจะเป็นผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นอะไรเห็นขันห้าหรือว่าเห็นอริยสัจสีหรือว่าเห็นปฏิปทานสี่เห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือเห็นอะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันแล้วก็ดับไปของมันคล้ายๆอย่างนี้ต้องเห็นแบบนี้มาว่าจิตเข้าไปสัมผัสรู้ได้แต่ถ้าบอกว่าเออล่างกายไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้คือกําลังอธิบายให้จิตฟัง สอนจิตเอาธรรมะของพุทธยามมาสอนจิตให้จิตเชื่อน้อมไปเชื่อตามความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ผิดนะถูกต้องดูร่างกายรูปประขันก็เช่นดูลมเข้าลมออกอนี่ก็ดูกายเหมือนกันเรยว่ารูปเขาเรียกว่าเป็นโพธพพรูป รูปที่มันมาสัมผัสรู้ได้ด้วยการไปสัมผัสรู้ดูมันมาสัมผัสเราเราจะรู้สึกว่ามีลมพัดเนี่ยเราที่รู้สึกเย็นเย็นมีลมแต่เราไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ว่านี่เนี่ยมันพันพัดมาเย็นเย็นเนี่ยลมพัดก็เลยรู้ว่ามีลมไม่ใช่เรามองเห็นเรามองเห็นมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีไม่มีลมมันมีอยู่มันอาจจะพัดเบาๆของมัน แต่ถ้ามันพัดแรงๆก็จะรู้สึกเย็นเออรู้สึกถึงลมพัดถ้าลมหายใจล่ะลมหายใจบางทีก็หายใจเข้าหายใจออกก็มีถ้าจิตเราจดจอ่ออยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เขารู้ออกรู้จิตก็นแน่วแน่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นสมาธิเอาเจอมันตั้งมั่นขึ้นมาเขานี้เห็นความจริงละทีนี้เห็นความจริงคือเห็นพระไตรลักษณ์อะไรเกิดแล้วต้องดับ เพราว่าเราเจ็บอยู่อย่างเงี้ยเจ็บอยู่อย่างเงี้ยทีแรกก็จิตไปคุกก็มีไปคุกปับ๊บมันจะรู้สึกโอ้โหความเจ็บรุนแรงตอนมันไปคุกเนี่ยพราะเราไม่อยากเจ็บเราอยากให้มันหายบางทีมันอึดอัดเลยเนะอยากให้หายมากๆนี่อึดอัดเลยแต่ถ้าเราวางเฉยจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้าย มันก็จะคลายออกไปทุกอย่างคลายออกไปขี้คลายออกไปจิตเราก็สบายขึ้นมาแล้วก็มีคนถามอีกว่าสติกับปัญญาต่างกันไหมต่างกันยังไงเหมือนกันไหมถ้าใหม่ใหม่สติก็คืออะไรปุ๊บมาเนี่ยตัวที่พปรู้ที่แรกคือตัวสติตึ๊บเนี่ยมันทำให้จิตรู้ตัวสติเนี่ยทำนาทีทำให้จิตรู้เพิ่มศั ก, กยภาพของจิตทำให้รู้อารมณ์ได้ดีขึ้นอะไรโผล่ปุ๊บขึ้นมา จิตไปรับรู้ตึ๊บเข้าไปแต่ทีนี้ปัญญาเนี่ยมันจะต้องตอนที่จิตพัฒนาจิตจนจิตตั้งมั่นแล้วหมายว่ามันเลยขั้นต้นๆแล้วขั้นต้นๆนีนน่หมายก็มันดูมันดูแล้วก็บางทีมันมันก็นิ่งอยู่เฉยๆแช่อยู่เฉยๆอันนี้แสดงว่ามันอยู่ในขั้นสมาธิสมาธะ ทีนี้เราฝึกไปอีกมันตั้งมั่นขึ้นมาหนิบางคนจิตตั้งมั่นตื่นอยู่ข้างในมันตั้งมั่นเนี่ยแน่วแน่อยู่ตื่นอยู่จิตก็ไม่ชัดสายด้วยนะตื่นด้วยรู้อยู่แล้วก็ไม่ชัดสายไม่กระดุกระดิกหรือกระดุกระดิกก็รู้ด้วยรู้มันกระดุกระดิกรู้มันเคลื่อนไหวแต่ว่าจิตไม่สัดสายพอไม่สัดสายปุ๊บอะไรโผล่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี้มันเห็นความเกิดดับ บางครั้งนก็มีแต่ความดับความดับความดับก็ได้มันไม่แสดงตัวเกิดแต่แสดงแต่อาการดับตัวที่มันเห็นความเกิดดับของรูปนามที่นี่ส่วนดูกายอยู่เนี่ยบางคนเนาะมีคนหนึ่งเขาก็ดูลมปั๊บไปสักพักหนึ่งลมมันมันเปลี่ยนนะจากลมหายใจมันละเอียดเข้าไปละเอียดไปเหมือนจิตตามลมไปตามลมไปตึ๊บเข้าไปล็อกหนึ่งเป็นอัตโนมัติตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตบตึ บ, ตบขึ้นมาที่นี่อ่ แทนที่จะเป็นลมหายใจไม่ใช <é, S 2> ่นะมันสักแต่ว่าลมเลยทีนี้จิตเขาเห็นเลยจิตมันนึกรู้ขึ้นมาด้วยว่าสักแต่ว่าลมตึบตึบๆึๆตๆๆๆๆๆจิตก็ปกติด้วยนะเฉยเป็นเองหมดเลยนี่นี่อันนี้ดูธรรมดูธรรมแทนที่ไปดูว่าเป็นลมมันก็เป็นไปดูตึบตึบตๆๆตๆแล้วก็รู้ว่าเป็นเองรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละไม่ใช่เรานี่แหละคือปัญญายาณเขาเรียกว่าเห็นความจริงแล้ว หรือดูเวทนาก็เหมือนกันที่แรกก็ดูเวทนาไปที่แรกก็เบาๆแยกออกด้วยเออเวทนาเปน็นอันหนึง่งจิตเปน็นอันหนึง่งนั่งไปนานขึ้นนานขึ้นเวทนาเริ่มบีบที่นี่จิตตึบไปเลยที่นี่ตึบไปจอจอพร้อมกับอยากให้มันหายหงุดหงิดขึ้นมาอึดอัดขึ้นมามันบีดโดนบีบอะ่ะไอ้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะไม่งั้นมันมันมันจะเอาหลับได้นะทีนี้ก็ถ้าใครดูเวทนา เจ็บขึ้นมันมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเอาไม่อยู่แล้วทีนี้แทนที่จิตอยู่เฉยๆมันวิ่งตึ๊กไปเลยไฟกโ็โอ้เจ็บที่นี่จิตก็เริ่มกระสับกระซาตต้องคุมจิตให้ได้นี่คราวนี้เปลี่ยนมาดูจิตแล้วทีดูอาการของจิตแล้วจากเวทนามาเป็นจิตนี่เราสติปทาสีไม่ต้องไปเลือกอารมณ์มันพอดีอันไหนดูอันนั้นเลยมันตึ๊กมาที่เวทนาก็ดูไปมีสติสติอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่นั้น สติกับสมาธิก็เริ่มกำลังขึ้นกำลังขึ้นต่อมาก็เริ่มเห็นว่าเวทนาเป็นอันหนึง่งจิตเป็นอันหนึ่งนี่ปัญญาแล้ะทีนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นความจริงแล้วว่าเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรามันสรุปได้เมื่อไหร่นั่นแหละเห็นแจ้งชัดแล้วเห็นวิปัสสนาแล้วทีนี้มันยังไม่มีกำลังพอทีนี้ดูไปมันเจ็บไปก็รู้มันเจ็บ พยายามสอนจิตไปด้วยอดทนนะพยายามนะนี่ธรรมะของพระเจ้านะตรงแล้วล่ะพระเจ้าสอนให้ดูเวทนาแก่กายเวทนาจิตธรรมนี่เรากําลังดูเวทนาอยู่มันอยากเลิกอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุมจิตไว้สู้ต่อไปสู้ต่อไปนี่กระตุ้นตัวเองได้เหมือนภูมิจิตของพารียาเจ้าเนี่ยภูมิจิตของพระเจ้านี่กระตุ้นตัวเองได้สอนตัวเองได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองได้ตัวที่ไปเห็น ดูกายก็ตามดูเวทนาก็ตามเสร็จแล้วมันจะมีภาวะอันหนึ่งแสดงความเกิดดับให้เห็นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบแล้วมันจะมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเวทนาไม่ใช่เราค่ๆมันมันมาจอดูไอไออาการเกิดดับนี้พอมาจอดูอาการเกิดดับนี้พอสภาวะเจ็บขึ้นมาปั๊บแรงขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอไอตัวที่มันเห็นว่าเกิดดับนี่ทะลุไปถึงเวทนามันเข้าใจทันทีว่าเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา มันอยู่ของมันเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้ได้ยินเสียงมามันตึ๊บตึบตึ้ บ, บขึนมามันก็รู้อีกว่าเออสัตว์แต่ว่าเสียงนะถ้ามีประโยชน์ควรฟังก็ฟังไม่ควรฟังก็ทิ้งไปดูกายดูเวทนาดูจิ ต, ด, จตดูจิตก็เหมือนกันนะ่ะมีพระองค์หนึ่งท่านฝันท่านฝันว่าได้เสพกับผู้หญิงนี่ละเสร็จแล้วอาสุจิท่านเคลื่อนในฝันนะโอ้ท่านตกใจมาก แล้วท่านก็มีความสุขท่านก็เลยคิดว่าท่านยินดีในการเคลื่อนนั้นท่านก็นึกว่าท่านต้องอาบัตรสังฆทิเศตอะทําให้อสุจิเคลืนทุกมากเลยนะที่นี่โอ้ยเหมือนกับตัวเองทําความผิดแล้วทําความผิดแล้วโอ้มันบีบคั้นทรมานมากเลยนะโอ้ตั้งหลายเดือนท่านว่าทีนี้ท่านก็ปฏิบัติอยู่องเดียวอะมันทุกท่านท่านบอกมีความรู้สึกเหมือนว่าธาต มีคนเอามือท่านเนี่ยมัดแล้วก็ผูกติดกับรถยนต์แล้วให้รถยนต์นั้นขับลากท่านไปให้หน้าอกท่านไถไปกระดินเนี่ยความเจ็บปวดอันนั้นก็ยังสู้ความทุกข์ในจิตท่านไม่ได้นี่คือเห็นทุกข์ชัดเจนมากเลยนะทุกข์ก ท, กทุกที่นี้มันไ ม, ไม่ไม่ได้จะดูอะไรมันก็ดูแต่ตัวทุกข์นะ ด, ด, ดูไปดูไปดูไปดูไปวันหนึ่งมันหายปุ๊บไปเลยหายบุบไปดึงมาก็ไม่มาดินี่ หายเงียบไปเลยท่านบอกโอ้ไม่มีอะไรเลย น, น, นี่เห็นธรรมเห็นธรรมว่าอยู่ดีๆมันดับไปเลยเห็นมันดับไปเองด้วยนะไม่ใช่เราคิดเอานะเห็นว่ามันดับไปเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับของมันไปตั้งอยู่บีบขั้นขนาดไหนเราไม่ยึดว่าเป็นทุกข์ของเรามันก็ดับไปมันก็เลยเห็นว่าเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแก้อะไรเลยนี่ท่านก็รู้ขึ้นมา แต่ก่อนุอ้ยกลัวผิดกลัวาบตปต้องไปเข้ากรรมแล้วแต่ไม่ใช่ไปเข้าปริวัติกรรมเหมือนเขาทำกันเดี๋ยวนี้นะบางแห่งเขาทำกันแล้วโฆษณาว่าท่านมารักษาสินสินท่านบริสุทธิ์ทำบุญได้บุญมากจริงๆแล้วสังฆาธิเศสนี่พระเจ้าสอนให้มาเข้ากรรมเพื่อประจานตัวเองในบทสวดนั่นมันจะมีบอกเอาไว้ว่าเ น, นเป็นคาสารภาพ ว่าข้าพเจ้าได้ต้องอาบัตสังฆาฏิเศษข้อไหนข้อที่หนึ่งทำให้อสุจิเคลื่อนเจตนาทําให้อสุจิเคลื่อนเว้นไวแต่ฝันแล้วก็ตัวเองทําผิดอ่ะแล้วจะมาโฆษณาว่าศีลบริสุทธิ์ได้ยังไงต้องปัจจานไม่ให้มันทําอีกใค่ละอายโอ้เดี๋ยวนี้มาทํำผิดไปเลยนะพระเยอะเลยนะต้องอาบัติสังฆาฏิเศษแล้วไม่ยอมเลิกมาทําผิดอีกไปเข้ากรรมทํำผิดอีกไปเข้ากรรม โยมก็โอ้ยเชื่อคำโฆษณาอยากได้บุญมากแฮ่แหนไปทำไม่รู้ไปช่วยกันทำในทางที่มันผิดพระก็ไม่สำนึกไม่ละอายพระก็ต้องอบิสังขาธิเศษบางองค์เนี่ยบวชมหานิกายต้องอบิสังคาธิเศมาทิ่นโดนลุมจิตจีนี่ออกรรมมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยปฏิบัติไปไม่ได้มาขอบวชใหม่มาศึกศึกแล้วก็มาขอบวช ด, ด้วย ขอบวชที่นี้ไปอ่านดูมันถ้าไม่แก้ซะ ก, ก่อนมันไม่ได้เนี่ยตัวเองเป็นพระต้องบอสัง่งกทะก็ต้องพาไปเข้ากรรมให้ถูกต้องที่นี่ต้องอประจานตัวเองเลยนะที่นี้ข้าพเจ้าต้องอาบัติกังธิเสดข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นใครมาก็ต้องบอกประจานตัวเองอยู่ตลอดครบกาหนดออกเขตเลยเขตเลยไม่ทำอีกเลยต่างจากที่เขาทำนะ แห่มาเป็นร้อยๆเสร็จแล้วก็ประกาศให้โยมมาทําบุญกันทําบุญกับพระท่านมารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เอาธรรมะบางหน้าหน่อยเป็นการปฏิบัติทำไปด้วยแต่ว่ามันผิดภาวินัยแทนที่จะทําให้พระละอายไม่ละอายถ้าจะจัดคอสปฏิบัติทำก็จัดสิพระปฏิบัติไปเลย สังขารทิเศษก็ไปออกให้มันถูกต้องนี่มันจึงจะถูกนั่นเนี่ยแต่นนี้พูดให้โยงเข้าใจเรืหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยนะที่นั่นที่นี่โฆษณากันนี่หมายว่าท่านเห็นอยู่จิตอาการของจิตมันมีความทุกข์ดูมันแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาเออพอดับไปปุ๊บโอไม่ต้องทําอะไรมันมันเกิดแล้วก็ดับเราอย่าไปยึดมันก็พอแล้วแต่การที่จะเห็นว่าไม่ต้องไปยึดนี่ต้องดูจนกระทั่งมันดับไปต่อหน้าต่อตา แล้วเราดูอะไรอ่ะที่นี่ถ้าดูธรรมล่ะดูธรรมเช่นความง่วงอย่างเงี้ยมันง่วงมันซึมมาอย่างนี้จอดูเลยแต่ผู้รู้นี่ต้องตื่นด้วยนะผู้รู้เป็นอันหนึง่งตัวง่วงตัวซึมเป็นอันหนึง่งพยายามกระตุ้นความรู้สึกให้แรงจ้องดูเวลาตัวซึมมันบีบเข้ามาบีบเข้ามาตัวซึมมันจะบีบๆนะมันจะอึดอัดขึ้นมามันจะทําให้หลับขึ้นมาทําให้ซึมขึ้นมาทําให้มันหลับในอยู่ข้างในอ่ะ จิตเราขึงไว้เนี่ยมันต้องสู้กันเนี่ยกำลังของจิตก็เพิ่มขึ้นเนี่ยพอจิตมีกําลังพอก็เห็นว่าตัวซึมเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งแต่ความซึมมันก็เบาลงมันมาใหม่ก็ตามจิตมันก็ไม่ให้หลับพอแล้วเนี่ยจิตมันก็มีกําลังมันก็จิตเป็นอันหนึ่งผู้รู้เป็นอันหนึ่งตัวซึมเป็นอันหนึ่งแยกออกเนี่ยดูธรรมเหมือนกันอันนั้เป็นธรรมะธรรมะคือเห็นว่าสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วถ้าจิตมันยังไม่ถึงขั้นนี้ล่ะ เอาก็ต้องขั้นไหนก็ต้องทําไปก่อนดูลมเข้าลมออกเพื่อให้สติมีกําลังคุมจิตให้อยู่ซะก่อนก็เอาบริกรรมพุโทโธพุโทโธเอาคุมจิตไว้ก่อนให้จิตอยู่ข้างในนี้ซะก่อนเอาพองหนอยุบหนอให้จิตอยู่ก่อนเอาเทนี้อยู่แล้วต้องมานี่ต้องมาเห็นขันห้าการทํางานของขันห้าแล้วก็เห็นด้วยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นขั้นวิปัสนา ที่ในักกายเห็นอย่างพระโสดาบันเนี่ยอย่างที่เขาถามว่าใกล้จะตายทํายังไงถึงจะบรรลุธรรมได้นี่แหละปฏิบัติอย่างนี้ไปก่อนปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็เชื่อคําสอนครูเจ้าไม่มีเรามันจะเป็นเราได้ยังไงเดี๋ยวก็ตายแล้วมีใครไม่ตายบ้างอยู่ในเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็แก่ลงไปแก่ลงไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีอยู่แล้วนี่ถ้าใครตระหนักรู้อย่างนี้มันก็เบาสิเพราะมันรู้ความจริงความจริงเข้ามาอยู่ในจิต แต่ถ้าเป็นเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คนนั้นว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้สนใจว่าคนนั้นไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เราจะเอาอยัางไงจะไปยังไงมาย่างไงคือสนใจแต่ข้างนอกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ตัวเองก็จะไปเอาบ้างเชื่อคนอื่นไปแทนที่จะมาเอาปฏิบัติให้มันรู้ความจริงซะการงานมีก็พอทำก็ทำไปเพราะเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่บางทีก็มี สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็มีอยู่ครอบครัวอย่างเนี้ยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลา น, านต้องดูต้องแลกก็ดูแลไปแต่เราก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทำร่างกายของเราให้ตื่นจิตตื่นบอกก็บอกเลยว่านี่เราขอเอากายอันนี้บูชาพระพุทธเจ้าเอาจิตดวงนี้ บูชาพระพุทธเจ้าโว้โข้านี้ปฏิบัติบูชาแล้วที่นี่นี่แหละปฏิบัติบูชาเอาจิตเราเข้ามาอยู่กับตัวเล่านี่แล้วก็ยกกายขึ้นมาเหมือนกับวางกายบางกายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาแล้วถ้าใครเก่งจริงวางจิตได้ด้วยรู้วิธีวางจิตด้วยทํำยังไงอ่ะทำความรู้สึกมันจิตก็ มมวาวาวถาวายเป็นพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังคบูชาหรือว่าเอาวางตัวเรานี่แหละทั้งหมดนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเพราะมันจริงๆไม่ใช่เราจริงๆแต่ถ้าเราฝึกวางนี่หมายว่าจิตของเราเนี่ยมันมันหลงไปหมดแล้วความหลงห่อหุ้มจิตหมดแล้วเราจึงเริ่มสอนจิตให้มันรู้ขึ้นมามนรู้ขึ้นมาแล้วให้มันรู้สึกปล่อยวางได้ บางทีก็หน้าโมโหนะมันจะตายอยู่แล้วนี่มั น, ม, นมันยังจิตยังจะบอกแวกบอกแวกบอกแวกแม่นั่งงว ง, ง่วงซึมซึมเอ้าให้มันตื่นสิมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่อา้าวจากนั้นก็เตรียมแล้วที่นี่ก็ยำ้ยำยำ้ำย้ำปณิธานปักลงไปที่จิตข้าพเจ้าจะพยายาม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 แล้วไปดูเลยนะตอนทานอาหารมันง่วงไหมอย่ <Yeah. laughs> ตอนนั่งสมาธิแต่ไม่ง่วงเอาง่วงเอาตอนกินแต่มันไปง่วงวะง่วงที่ง่วงที่นะบอกมันด้วยนะ <laughs> ง่วงที่ง่วงที่ไม่ใช่อร่อยเนาะอร่อยเนาะแสบดแสบดีท <laughs> าบไปพอแล้ว